พระบัญญัติ942ก็ภิกษุณีใดจงใจก่อความไม่ภาสุกแก่ภิกษุณีต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนนันธาจบ